การเดชุกสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับสเปนีอดีิหลวงพ่อก็มาเป็นหลวงปู่จับหลวงปู่ก็มาเป็นหลวงทวดสรางภาษาและนาก็จกับตุลุงมาเป็นตุ๊ป่อจับตุ๊ปป่อมาเป็นตุ๊ปอ้ยจะบตุ๊ปอ้อยมาเป็นตุ๊หมอน เพราะานออกูกแล้วหลวงทวดอง์นี้ก็ใกล้ๆจะหมดแรงใกล้ๆจะหมดเวลาที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้ในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตนี้ก็มีความปรัรถนาดีที่จะความสุขให้แก่ทุกๆพระองค์ทุกๆทุกนามลูกหลานเหล็นทุกทนนวนาโดยงานเบาๆคือการอ่านหนังสือธรรมะบ้าง เล่านิทานให้ฟังบ้างเสียงของคนแก่ก็ไม่เหมือนเสียงคนหนุ่มๆทั้งหลายเสมหะก็เป็นอุปสรรคมาคอยขัดขวางอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงยังไงก่อนจะจากไปก็ขอฝากเสียงนิไว้เป็นที่ระลึกแก่ทุกๆ ท, ท่านทั้งที่เคยรู้จักและไม่เคยรู้จักเนะ้อ การเล่านิทานก็ดีการอ่านหนังสือธรรมะก็ดีจะมีเรื่องดอยวักดอยตอนดอยผิดตุบบกค้องไปบ้างหลวงโทวมาขอนอบนอ้อมขอกราบน้ำมัชการขอขมาอาภายัยต่อพระรันตนตรัยและท่านผู้ฟังทั้งหลายที่นี่โดยเนอ่ขอพระรันตนตรัยอันมีองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพร้อมโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายและท่านผู้รับฟังทุกคนหน้าขอได้โปรดเมตตายกโทษให้อโหสิกรรมให้หลวงทอดคนนี้ด้วยเนอรสาธุสาธุเนอรส่อไปนี้จัดได้มาอ่านหนังสือเรื่องคนตายแล้วพื้นให้ฟังเนอร ผู้ตายแล้วพื้นรรายนี้มีชื่อว่าโกติงแช่เย็บได้ถือกำเนิดเกิดมาที่าดกู่ฝั่งทนบุรีสมัยเมื่อปีพศ2433น้อคนเมื่ออายุได้เจ็ดขวบเกีียได้ส่งไปอยู่กับญาติที่ประเทศจีนที่ตำบลห้อยเ ข, าข้าแขวงเมืองกวางตุ้งน้น พออายุได้สิบสองปีเดี๋ยวก็ได้รับกลับค้นมาอยู่ที่เมืองไทยอีกเพราะจากเมืองไทยไปหลายปีจึงเป็นเหตุให้เด็กชายเต่งแชะเยบพูดภาษาไทยไม่ได้คือลืมภาษาไทยไปเลยสถานที่มาอยู่ก็คือตรัตทรูตามเดิมซึ่งมีแต่คนกินทาง น, นันซึ่งไม่มีผู้ใดพูดภาษาไทยกันเลย ด้วยเหตุนี้โกเตงแคี่เยบเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ชัดและไม่ค่อยจะถูกด้วยหนังสือไทยก็ไม่ได้เรียนอยู่เมืองไทยเ็าพูดภาษาไทยได้แค่โมงูปลาปลาเท่านั้นในวิถีชีวิตของคนเราทั้งหลายมันไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนเท่ากับความแก่ความป่วยความตาย พอเราเกิดมาแล้วต้องเจอทุกชาติแใ่ก็ไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกน่ายไม่รู้สึกกลัวกันเลยเนาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายเมื่อยังไม่ได้ทรงออกผนวดพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนป่วยคนตายพระองค์รู้สึกเบื่อหน่ายกลัวทุกจึงได้ออกผนวด แสวง ห, หาทางพ้นทุกข์แล้วก็ได้พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงจริงๆพวกเราทั้งหลายรู้สึกเบื่อกันบ้างไหมจ๊ะรู้สึกน่ายันบ้างไหมจ๊ะรู้สึกกลัวความทุกข์บ้างไหมจ๊ะเออถ้าฝังเรื่องนี้จบแล้วอาจจะเบื่อขึ้นมานิดๆก็ได้นะจ๊ะองค์พระสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ในการใดที่ผู้คนมาพิจรารณารู้ด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงในการนั่นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในทุกนั่นแหละคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ในการดใดที่ผู้คนมาพิจรารณารู้ด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกในการนั่งย่อมเบื่อหน่ายในทุกนั่นแหละ คือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ในการใดที่ผู้คนมาพิจรารณารู้ด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัจจาในการนั่งย่อมเบื่อหน่ายในทุกนั่นแหละคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายจริงที่พ่อแม่ของคุณโกตงิงแฉ่เยบ็บไม่อยากให้เกิดคุณโกติงก็ไม่อยากให้เกิด แต่มันก็เกิดขึ้นมาจนได้คือเมื่อโคตเตงอายุได้เพียง13ปียังช่วยตัวเองยังไม่ได้นั้นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของโคตเตงก็มาล่วงลับลับไปในระยะอันใกล้ใกกันเด็กชายโคตเตงแค่เย็บขาดร่มโพ ร, ร่มสายของชีวิตคือคุณพ่อคุณแม่ไปเสียแล้วนอกจาก ว่าเว่ยวงเว้งแล้วก็ต้องมาแบบทุกอย่างมหามหาันต้องพระจนโลกพระจนเขาะหต่างๆตามลําพังของตนเองชีวิตสุดแสนที่จะลำเค็นมากๆต้องรับจ้างรับใช้ทางานทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดของชีวิตหาฟื้นผ่าฟื้นหับน้ำล้างโถยล้างชามเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเป็นตน้น ก็แลกอาหารให้มีกินไปเป็นวันวันวันแล้ววันเล่าหมดโอกาสที่จะได้ร่ำเรียนศึกษาเหมือนเด็กที่มีพ่อมีแม่คนอื่นๆทั้งหลายวันเวลาผ่านไปผ่านไปจัดรูกชายก็เลื่อนตำแหน่งมาเป็นชายหนุ่มอายุ20ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ได้ออกกำลั ง, งกายมาตลอด เขาได้ยินข่าวว่าทางจังหวัดภาคใต้เงินดีมากขนาดลูกจ้างปลิดยางเท่านั้นยังมีเงินฝากแบงยังมีสร้อยทองห้อยคอเลยกันเลยเขาคิดว่าเราน่าจะไปนะเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นก็น่าจะดินด้นไปดิ้นไปเพื่อจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจ พาร่างกายไปสู่ภาคใต้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีเช่นไม่มีสายอะไรเลยรับจ้างทุกอย่างส่วนงานในร่างอาหารเป็นคนทรงกาแฟกลิ่ยางเป็นต้นจ้างใจทํางานขยันซื่อสัตย์สุดริตไม่เกเรไม่เสพสุรายาบินเป็นคนดีมีมารยาทไปอยุกับใครใครก็ชอบชอบ เป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาน้ำมันนวดน้ำมันทาอะไรนะแต่มีสเสน่ห์เพราะเป็นคนดีและขยันนั่นเองเพราะนิสัยดีใจดีนี่แหละเขาจึงไม่มีเมียเพราะเขาคิดของเขาว่าเขาเป็นลูกผู้ชายเมื่อฐานะยังไม่ดียังไม่พร้อมหากเขาเอาเมียเมียก็จะออกลูกเขาทุกคนเดียวดีกว่า อิ่มบ้างอดบ้างก็ไม่เป็นไรไม่อยากให้ผู้ใดต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอีกแล้วตั้งแต่อายุ13ปีมาจนถึงปัจจุบันระหว่างปีพศ2488บวกกับ2489อายุของเขาได้46ปีปัจจุบันเขาเป็นหนุ่มใหญ่ไม่ใช่หนุ่มน้อย กำลังทํางานเป็นคนส่งกาแฟอยู่ที่อําเภอปากพนังท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้บังเกิดขึ้นแก่เขาคือมีเหตุบังเอิญทำให้เขาป่วยด้วยโรคปัจจุบันแล้วก็ตายอย่างชนิดที่ตนเองและคนอื่นทั้งหลายคาดคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้แต่ มันก็เป็นไปแล้วจริงๆโภหนอชีวิตทางเท่าแก่เจ้าของร้านที่โกเตงไปอยู่ด้วยก็รู้สึกเสียใจเสียดายโกเต็งมากๆกเพราะโกเต็งมาอยู่กับเขาหลายปีนิสัยดีชื่อสัจจุจริตไม่อู้งานไม่หลกงานตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อหน้าเป็นเช่นใดลับหลังก็เป็นเช่นนั้น เขาจึงรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้เหมือนกับเป็นญาติแท้ๆไม่ใช่ลูกจ้างซื้อโรงจำปาอย่างดีมาใส่ให้มีพิธีกรรมการทําบุญทั้งแบบกินและแบบไ่ายผสมประสานกันญาติและมิตรทั้งหลายสหายทั้งหลายประมาช่วยงานด้วยความเต็มใจกันทุกคนนิมนต์พระมาสวดมาเทศมรรยาทั้งปวงที่นิยมประนัน อย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องงานเป็นไปได้อย่างดีและเรียบร้อยทุกวันชีวิตหลังความตายคุณโกติงเช่เอยเบาะว่าทั้งๆ ท, ที่ขอตายไปแล้วเขายังไม่รู้เลยว่าเขานั่นได้ตายไปแล้วเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในวิถีชีวิตของเร า, เราท่านทัน้งหลายที่เกิด ขึ้นมาแพชจนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นและเขายังจำเหตุการณ์นั้นได้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแรกเริ่มจุด ด, ด น, นั้นเขารู้สึกง่วงมากๆง่วงนอนจัดๆก็นอนแล้วก็หลับไปอยู่ๆก็มีคนแป บ, บหน้ามาสองคนซึ่งเป็นคนที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยมาพาเขาไปสู่สถานที่แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทั้งหลายมีนักโทษมากมายจริงๆในบรรดา น, นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็มีหลายคนที่กูเตงรู้จักด้วยจะเป็นคนที่ตายไปแล้วพวกเขาได้ร้องทับกูกเตงว่ากูเตงโกเตงกกเตงมาแลนวเหรอเขาก็พยัยหน้าต่อเฉยๆไม่ได้พูดอะไรแต่และก็ยังไม่รู้ว่า ตัวเขาเองนั่นได้จ่ายไปแล้วเมื่อเดินออกจากสถานที่นั่นไปแล้ ว, วก็มีคนอีกชุดหนึ่งมานําเขาไปแทนชุดแรกภายหลังกกเทงยังรู้ว่าชุดแรกคงเป็นพวกโยมมาทูดที่มารับวิ ญ, ญญาณจากเมืองคนชุดหลังนี่คือพวกนายเนริยบาล น, นายเนริยบานพาเขาไปชมสถานที่ต่างๆแล้วก็อธิบายแต่ละสถานที่ให้ฟัง เหมือนคนนำเที่ยวในเมืองมนุษย์ของเราที่พาชาวต่างชาติไปชมสถานที่ต่างๆพร้อมกับอธิบายขยายความอธิบายให้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ให้ฟังเช่นเดียวกันผู้นายรียบานถ้าเขาไปสู่สถานที่แห่งใดแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าผู้คนทั้งหลายที่ถูกนำมาลงโทษได้รับความทุกข์ อยู่ณสถานที่แห่งนี้นั่นเพราะผลกรรมอะไรที่ทำไว้ณสถานที่แห่งหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประอยูนณเบื้องหน้าของโกรเองก็คือผู้คนทั้งหลายที่ถูกนำมาลงโทษณสถานที่แห่งนี้นั่นจะถูกพวกยาโยมพิมบานเอาค้อนทุบหัวฟันด้วยมีดอีโต้เล่มใหญ่ถูกตัดแขนตัดขา ตัดตัวตัดคอเท่านั้นยังไม่พอแล้วยังหั่นเป็นชิ้นๆต่อไปอีกเหมือนเขาข้าวัวข่าควายข้าหมูแล้วทำแหลหนังเนื้อเป็นส่วนเป็นส่วนออกไว้นั่นแหละแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือส่วนหัวนั่นแหละนะเพราะหัวที่ถูกฟันขัดออกจากส่วนของร่างกายไปแล้วกระเด็นไปแล้วมันไม่ตายสนิทนะ มันไม่แิ่งเหมือนหัวสัตว์ทั้งหลายกลับเด้งึงเด้งถึงก็กลิ้งกลิ้นตาละไม่หนอนช่อมแอบลื่นด้วยนะเนี่ยเหมือนที่ผู้คนเขาเล่าว่าผีหลอกผีหลอนก็กิ้งแอบลิ้นปิ้นตานั่นแหละพอแสดงยท่านั้นได้สักพักแล้วหัวนั้นก็กลิ้งกลับมาติดต่อกับร่างเดิมนั้นประสานเป็นร่างขึ้นมาตามเดิมร่างกายส่วนอื่นก็ปลอยกลับขึ้นมา ประสานกันกลับเป็นร่างเริ่มอีกอย่างสมบูรณ์คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยต่อไปผู้คุมหรือจะโยมพิบานก็จับมัดนักโทษเหล่านั้นแล้วก็จับโยนลงไปในหม้อ น, น้ําร้อนที่กําลังเดือดฉลาดฉลาดที่กําลังเดือดพ่านอยู่นั่นนะพวกเขาได้รับความทุกข์อย่างที่สุดเลยจะแฝงที่สุดคือไม่ตาย แต่นรกไม่ตายรับรู้ทุกได้อยู่ตลอดเวลาพอสูงความใจเวลาแล้วผู้คุ่มก็นำขึ้นมาจะมอหน้างร้อน น, อ น, นั้นแล้วตั้งต้นทำโทษตามแบบเดิมต่อไปคือทุบหัวตัดหัวตัดตัวตัดแขนตัดขาเป็นต้นแล้วประชามแหล่นั่นแหะนะพอหัวคลิ่งออกไปแล้วลิ้นสิ้นตาแล้วออก็กลับมาเป็นตัวตนตามเดิมประสานร่างให้กลับขึ้นมาอีก ตามภาพที่ได้บริยามาที่ได้บอกมาแล้วนั่นแหละนะวนไปวนมาแบบนี้จนกว่าจะหมดกฎของกรรมเหตุการณ์จะยุติลงเมื่อร่างใดหมดแรงหมดฤทธิ์ไม่สามารถจะประสาน ร, ร่างขึ้นมาใหม่ได้อีกผู้คุมก็จะโยนซากศกของพวกเขาให้พวกอีแรงปักเล็กในเมืองนรกกินกันต่อไป นายเนรียะบานผู้นำชมอธิบายให้ครูเต็งฟังว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ถูกนำมาลงโทษแบบนี้ณสถานที่แห่งนี้นั้นมีกรรมเหมือนอนกันคือในสมัยที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่มีความระพืชไม่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ใจหินไม่กลัวบาปกลัวกรรม ชอบฆ่าสัตว์ฆ่าคนชอบทรมานคนอื่นสัตว์อื่นจิตใจไม่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่อผู้ใดเลยเมื่อตายแล้วจึงถูกนำมาลงโทษด้วยวิธีเดียวกันนี้ทั้งหมดคือทำโทษพวกเขาเหมือนพวกเขาไปก่อกรรมทำเพียนทำเวรเอาไวา้ระยะเวลาเป็นประจางกดของกรรมเมื่อหมดกรรมในเมืองนรกแล้ว ก็จะถูกจัดส่งไปเกิดเป็นสัตว์นานาชนิดเพื่อให้ผู้อื่นฆ่าต่อไปเมื่อหมดกรรมแล้ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าโชคดีได้พบพ่อดีแม่ดีย่าดีเหายดีหัวดีเมียดีผู้ปกครองดีได้ทำดีมีจิตใจดีขึ้นฉลาดขึ้นดีระดับต้นก็จะได้มาเกิดเป็นคนใหม่ ดีมากกว่าเดิมว่าจะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าดีพิ่มเพื่นไปอีกชอบสวดมนต์ภาวานาจเจริญกรรมาฐานก็จะไปเกิดถึงภูมโลกผู้ที่พบองค์พระพุทธเจ้าพบองค์พระประฏิจกุตเจ้าพบพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วได้ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัตรริธรรมได้มรุษธรรมหมดกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมทั้งกวงก็จะ ไปสู่ที่อนพนทุกที่เป็นทิพพิเศษคือพระนิพพานน่นแหละนะทั้งผู้อ่านและผู้ฟังถี่รับทั้งหลายหูคิงก่อพุดพ่อเมื่อดีเนอรรู้สึกตัวบ้างไหมจะ๊ะขณะนี้พวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์กันแล้วนะจะ๊ะอดีตเราจะมาจากหนนั่นเราไม่ทราบใช่ไหม ในปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วซึ่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราตายจากการเป็นมนุษย์ไปแล้วมันไม่สูนแล้วนะมันไม่สูญ น, นะจ๊ะใจเรามันไม่ตายเหมือนดังกูเตงประสบมาเมื่อใจไปแล้วที่ไวของพวกเรานานองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ชัดว่ามีอยู่ห้าที่คือ อบัยภูมิทั้งสี่มนุษย์โลกเทวโลกภมิโลกและพระนิพพานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรสอนไว้อย่างนั้นผู้ใดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รักษาสิ่งห้าใจดำอมมาหิตเห็นแก่ตัวกายว่าจะใจไม่ดีหิตชอบหมองตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอับัยภูมิทั้งสี่คือนระก เปิดปัสสาคะกายและสัตว์เดรัจฉานส่วนผู้ใดากายวาจาใจดีไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อนชอบทําบุญให้ทานอยู่บ้างชอบรักษาศีลอยู่บ้างชอบภาวนาสวดมนต์อยู่บ้างใจดีดีใจไม่เศร้าหมองพ็จะได้กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ถ้าผู้ใดมีเหตริดความกระอายตทำบาปมีอดตระเพงเกรงกลัวดอผลของบาป ไม่มีนิสัยชั่วอยากไม่ทําความชั่วทางที่ลับที่แจ้งหรือชอบภาวนามีสมาธิบ้างตายแล้วเขจะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ถ้าผู้ใดจิตเป็นกุศลมากชอบทําความดีเป็นนิสัยประจำจนจิตเป็นนิสัยชอบภาวนาจนจิตไม่ควบขงังวันทั้งห้าได้บ้างเมื่อค่อยๆจะตายจิตยังส่งอารมณ์ดี วายได้ก็จะไปเกิดในพมลโลกนอนส่วนผู้ใดจเจริญธรรมจนจิตเข้าถึงธรรมหมดโลภโทสะโมหะจิตสอาดดีแล้วก็ย่อมเ ข, ข้าสู่พระนิพพานมีความสุขเป็นอย่างยิ่งไม่ได้เวียนว่ายใจเกิดต่อไปอีกแล้วให้เสวยความสุขถาวรจิตไม่ได้เวียนว่ายใจเกิดต่อไปอีกโอ้น่าสนใจไหมนะจ๊ะ ทำ่าปคทุกผลทุกนี่นะพวกเราทั้งหลายสนใจกันไหมถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายยังไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นทุกมันก็ไม่เบื่อทุกก็เป็นเจ้าของทุกกันตลอดไปเนะ้อถ้าท่านคนใดมองเห็นทุกเบื่อทุกบ้างแล้วองค์หลวงพ่อวัดตาจุงชัเชวนพวกเราทั้งหลายว่ามาทางนี้มาทางนี้ มาทางไหนมาเริ่มต้นที่ต้นทางตอนทีนี่เนอะคือมีพระตตยรัตรเป็นทีพึ่งมันล้อมพึ่งถึงความตายศีลพยายามรักษาอย่าให้ผาดหายแค่นี้ถ้าตายขอไปนิพพานแห่งเดียวเนอะทำอย่างนี้นะท่องจำให้จำนำไปประพฤติปฏิบัติจนอารมณ์ทรงตัวเนาะจะได้ไปถึงซึ่งที่สุดแห่งความไม่มีทุกข์ทางปวง โกตเตงแช่เยบเล่าต่อไปว่านายเนธิ บ, บานได้พาโกเตงไปโคมยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งณสถานที่แห่งนั้นคนที่ตายไปแล้วจะถูกผู้คุมลงโทษด้วยการบังคับผักใสให้ตกลงไปในหลุมแทนเพลิงที่กำลังลุกชดช่วงอยู่นะทนความร้อนไม่ไหวก็จะรีบบิ้หนีขึ้นมาพอกำลังจะ โนหรือโค้นมาได้ให้หน้อยเท่านั้นพวกผู้คุมก็เข้าทำร้ายผักใสยให้ตกลงไปใหม่มีการเอาหอกแทงเป็นต้นจนเลือดโชกไปทางร่างพวกเขาก็ต้องกระโดดลงไปเองบ้างถูกผักให้ตกลงไปบ้างถูกทำร้ายให้เสียหลักจะตกลงไปบ้างถูกเผาทั้งเป็นอยู่อย่างนั้นคำว่าตายนะไม่มีมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ ความเจ็บปวดความทรมานอยู่ตลอดเวลานายเนี่ยนิยบานอธิบายให้ฟังว่าผู้คนทั้งหลายที่ตายไปแล้วให้ถูกนำมาทำโทษณดินแดนนี้เพราะผลกรรมคือเมื่อมาเกิดเป็นคนอยู่นั้นชอบลักขโมยชอบล้นสะดมชอบตีชิงวิ่งราวคือตีเจ้าของทรัพย์ชิงเอาของแล้วก็รีวิ่งหนีไปนะ เหตุการแบบนี้ชอบเกิดภายนอกบ้านนะส่วมักเกิดภายนอกบ้านของเราหากินทางทุจริตคิดไม่ชอบเช่นล่อลวงผู้อื่นหรือกงเอาทรัพย์ที่ตนเองและญาติบอกบุญเรียรายผู้อื่นบอกว่าจะเอาไปทําบุญในพระพุทธศาสนาหรือสาารณประโยชน์หรือสาธารณประโยชน์ ได้มาแล้วแบ่งเอาไว้ใช้เองบ้างหรือเอาทั้งหมดบ้างและผู้ที่เป็นหนี้ผู้อื่นแล้วจะไม่ยอมใช้ให้เขาคนทั้งหลายที่มีนิสัยชอบคดโกงผู้อื่นชอบหากินทางบอมบอมแบบนี้นะเมื่อใดไปแล้วจะถูกนํามาลงโทษในสถานที่แห่งนี้ด้วยกานทางนั้นต้องสมวยผลแห่งกรรมที่ทําไว้จนกว่าจะหมดผลแห่งกรรมนั้นเอนอ สลับได้ที่คนทั้งหลายในเมืองมนุษย์เรายัางชอบทำกรรมแบบนี้กันอยู่ไม่ว่างไม่เว้นถูกกิเลสตัณหาอุปทานความเห็นแก่ตัวครอบงาผู้ศนพระกรรมครอบงำทํากันไปอยู่เรื่อยๆแล้วลกหลุมแทนเพิงนี้ก็จะมีอยู่ไปตลอดสลับได้สลับได้ที่คนทั้งหลายในเมืองมนุษย์ ยังชอบทํากรรมแบบนี้กันอยู่ไม่ว่างไม่เว้นทุกกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำ อ, อกุศลรกรรมครอบงอทำทํากันไปอยู่เรื่อยๆนกรกสูงแทนเพิงนี้ก็จะมีอยู่ตลอดไปแถบนั้นเพรนโลกขุมนี้ไม่มีเวลาที่จะดับหมอดได้เลยลกูกหลานที่น่ารักทั้งหลาย ที่มาได้ยินได้ฟังเสียงหลวงพวดคนนี้นะเรื่องที่เล่ามามันเป็นเรื่องจริงๆนะคระที่คนที่ตายไปแล้วในสมัยหลวงปู่แกเขากลับฟื้นขึ้นมาเขาตายไปตั้งเจ็วันไปพบไปเจออะไรก็มันก็นามาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ผู้อื่นฟังไว้ผู้อื่นก็บันทึกกันไว้นำมาเล่าให้ฟังต่อๆกันมา แต่หลวงปู่เป็นพระเล่าแม่เหมือนผู้อื่นสักเท่าไรคือติด บ, บ้างจริบบง บ, บ้างแจกธรรมะเข้าไปบ้างด้วยเจตนาที่ดีคืออยากให้หลวงทวดหลวงปู่และลูกหลานที่นรับทั้งหลายท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเมื่อได้ฟังได้ยินได้อ่านแล้วจะได้สติยับยั้งตัวเองในข้อบอุองต่างๆที่ผ่านมา เราทำกบขาไว้ก็เยอะขอทำกบรมมาก็แย่เมื่อพวกเราทั้งหลายรู้แล้วว่ามันไม่ดีความดีความชั่วไม่สูญหายมันติดตามทุกคนไปเหมือนเราตามตัวส่วงผลให้พวกเราไปเสวยผลคือความสุขความทุกข์ทุกภพทุกชาติพวกเราทั้งหลายเป็นลูก ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาหยุดความชั่วก่อนเถิดเน้อเริ่เริ่มทำความดีให้เยอะๆก่อนที่จะตายไปนะเราตายไปแล้วใครช่วยเราไม่ได้ทรัพย์สินที่เราหามาทุกวิธีการมันก็จะช่วยเราเราช่วยอะไรเราไม่ได้ที่ที่ความชั่วจะตามไปให้ผลไม่ใช่มีที่เดียวทานั้นนะ ที่ความชั่วจะตามไปให้ผลให้เรามีความทุกข์ต่อไปได้มีที่เดียวเท่านั้นนั่นก็คือพระนิพพานการที่พวกเราทั้งหลายจะหนีผลแห่งกองชั่วเพื่อเข้าสู่พรนิพพานแบบง่ายๆไม่ใช่แบบยากๆที่องค์หลวงพ่อวัดาสุ่งแนะนำไว้มีดังนี้นะจ๊ะคือ ให้นึกถึงพระพุทธลูกองคใดองหนึ่งเข้าไว้จนจําได้จิตใจนึกเมื่อไรจําได้เมื่อนั้นแล้วพอมาณคิดรับรู้ดังความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี้นั่นเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงถ้าร่างกายในี้ตายเมื่อใดองค์พระพุทธเจ้าเมื่อตายไปแล้วไปอยู่ณที่ไหนเราขอไปอยู่กับองค์พระพุทธเจ้าที่นั้นเนะ้อ แล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปพไะว้ให้ภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธประจางสงควรเก็บเวลาอย่างเนี้ยนะยังไม่ได้ทำก็ต้องทำเมื่อตื่นนอนใหม่ๆและจิกเวลาหนึ่งคือเวลาที่จะนอนหลับอิกประการหนึ่งก็คือจะพยายามรักษาศีนให้บริสุทธินับตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไป คือจะไม่ผิดศีลเองจะไม่ใช้ให้คนอื่นผิดศีลเมื่อเห็นคนอื่นผิดศีลเราก็จะไม่ยินดีด้วยโลกหลายสุจริตของหลวงปู่หลวงทวดทั้งหลายจา๋าพยายามจำคำเนะ่ยนํอมี้ไวนะ้เนอรแล้วพยายามปฏิบัติการนี้กันเนอะจิตใจของพวกเราจะได้มีความสุขจะได้มีความสงบจะได้พบทางคนทุกได้ในที่สุดถ้าอยากจะฟัง เสียงขององค์หลวงพ่อวัชตาชุงจริงๆก็หาฟังเอาเองนะจ๊ะในเน็ตก็มีที่วัดขององค์หลวงปู่หลวงทวดคนนี้ก็มีที่วัดตาชุงก็มีเยอะนะจ๊ะโอ้จาตอนยืมไม่ได้นะแล้วก็องค์หลวงพ่อวัดตาชุงเท็จกันแรกก็อยู่ในเน็ตนะหลานที่รับจ่าเปิดฟังดูซิ เราจะได้พบ่ขางสว่างจิต ใ, ใจเราจะได้ไม่มืดจะไม่ได้ไม่บอดคนตาบอดยังดีกว่าคนใจบอดนะจ๊ะถ้าคนใจบอดแล้วโอ้โหทุกดีดีเนอะครั้งแล้วนายนรีบารัคาคาคุณกูเตงไปชมสถานที่ใหม่ในสถานที่แห่งนี้นั่นมีการลงโทษแตก ต, ต่างไปจากเดิมคือพวกคน ที่มีโทษทั้งหลายมากมายเช่นกันถูกผู้คุมเอาคีมที่เผาไฟจนลูกชนร้อนเต็มที่นะขีดลินดนออล้นดึงออกมาขิดลิ้นดึงออกมาให้มากที่สุดโอ้โหพวกเขาทั้งหลายนะเจ็บที่สุดเจ็บมากๆเลยปวดแสบปวดร้อนเอามือกอคองแก้มร้อง ทางจนเสียงหเสียงหายนะแต่ไม่ตายพอเลิกคิมหยุดคิมปล่อยคิมแล้วก็มีน้าใส่ขันมาให้พวกสัตว์นรกก็ดีใจรีบๆเอาน้ำกอกเข้าไปในปากทันทีน้าใสๆก็กลายเป็นน้ำมันที่ถูกไฟไหม้ไปชะอีกแล้วปากพังเจ็บปวดขนาด นอนพลิ้งไปกินงมาที่พื้นเลยพื้นก็กลับเป็นพื้นที่ให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นคือมีหินปลายแหลมแหลมโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดพอกสัรนรกทั้งหลายที่ถุนเนี่ยจิงย้งซุงเสียงร้องอดโวยดังละงมสนันลั่นไปหมดเลยนายนิยาบานอะธิบายว่าคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วได้มาจะหวยผลกรรมอยู่นะที่นรกขุมนี้นั่น ตอนที่เป็นคนอยู่นั้นชอบใช้ลิ้นติ้นต้อนหลักลวโภฮภฮภงโกหกพกลมผู้อืน่นเมื่อเสวยกรรมเมื่อเรวยกรรมณที่ขุมนี่แล้วยังจะถูกส่งไปสู่ขุมนรกยังจะถูกส่งไปสู่ขุมนรกขุมอื่นต่อไปอีกต้องไปเสวยผลกรรมจนกว่าจะหมดชิน้นเวรกรรมที่ทำไว้นั้นคล้ายๆยกับโลกมนุษย์ที่ คนโทษมีคดีหลายคดีสารตัดสินเป็นอย่างๆเกาได้รับโทษเป็นอย่างๆไปหนัก บ, บ้างเ บ, บาบ้างตามผลของกรรมที่พวกจเจ้าเมยททำไห้ช า, ชานใดก็ชนนโกเตงเล่าว่าขณะที่ไปสมนรกอยู่นั่นก็รู้สึกหวาดเขียวหวาดกลัวจริงๆเพราะไม่เคยคิดเลยว่านรกนั้นมีจริง การลงโทษนหน้ากลัวจริงๆท่ำโหดเงียบทรมานจริงๆอย่างในเมืองมนุษย์นี่ที่ลงโทษกันมันก็จิบจ้อยเที่ยวกันไม่ได้เลยจริงๆในเมืองนรกแล้วก็ในเมืองมนุษย์นี่นะถ้าเจ็บมากมากมันก็ตายแต่ในเมืองนรกนั้นอ่ะเจ็บขนาดไหนก็ไม่ตายนี่ชี้จริงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆาน่ากลัวที่สุดแห่งที่สุดเลยนะอย่าลืมนะ ผู้ดผูด้ฟังลูกหลานเหลนที่น่ารักทั้งหลายชุนทอนผูบอกไว้แล้วว่าจะดีจะชั่วในหมู่มนุษย์ก็เพราะพุดจามนุษย์จะดีจะชั่วก็เพราะพุดจาจะดีชั่วในมนุษย์เพราะพุดจาตัวเราทั้งหลายาพังเพ่อป่า ก, ก็มีมากได้รับความลำบากพ่อป่า ก, ก็มีหลายความสุขความทุกข์มานบังเกิดขึ้นกับพวกเรา มากมายพระลมปากนี้นับครั้งไม่ได้จําไม่ได้จริงๆพวกเราทั้งหลายมาฝึกควบคุมปากกันเถิดเน้อตามที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนคือไม่พูดคําเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำโสเียดไม่พูดคำโปรเจอฝึกไว้นะจ๊ะโอทนเขอไว้ปากของเราเราต้องฝึกได้ เราฝึกงานอื่นๆแล้วยังฝึกได้ใช่ไหมปากของเราแท้ๆเราต้องฝึกกันได้ชินาพวกเรานะท่านแล้วนายเริยบานก็ได้พาโคติงไปชมนรกอิกแห่งหนึ่งเป็นแดนที่น่าดูไ่าชมมากๆนะจ๊ะเป็นแดนที่ผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าปะหมดเลยนะชุดวันเกิดทักหน้านะ่ะมีหลายช้อยมีหลายขนาดนะก็หอ ทั้งสะอาดและโรกรุงรังทั้งที่มีขนและไม่มีขนทั้งที่มีขนผอมแรมและขนมากขนร้อยนะทั้งสูงทั้งต่ําทั้งดําทั้งขาวโอ้โหมีมากมายเสุดด้วยทิคือมีเป็นแสนแสนล้านล้าเลยนะแต่นายเดนนารกเนี่ยไม่มีโอกาสจะจ้จองภาบนิ่งและเคลือ่อนไหวอ้อยอิงเหมือนเมืองมนุษย์เรานี่หรอกนะจ๊ะโอ้ดูสิดูนูนสิ เป็นลานกว้างมากมากเป็นลานกว้างมากมากมีต้นม้งเงี้ยวทียวไม่มีใบมีแต่หนามเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นป่าเงี้ยวเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะที่บนลานสถานที่นั้นน่ะมีหมานารกตัวยอ่อใหญ่น่ะมีขนบนหลังเป็นแถบเหมือนหมาหลังอานในบางคนแต่หมาในเมืงนรกมีขนแข็งแข็งตั้งขึ้นเป็นแถบชูขึ้นนะ นี่มีฟันที่โตโตเวลามันยิงฟันนะเวลามันหัวระโขโหน่ากลัวน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเขียวละหนุหลานนี่ลักเอ้ยแล้วจะ่ละตัวนะดุดุทั้งนั้นไม่มีหมานใจดีเลยนะกัดลูกเดียวฟาดลูกเดียวอย่างอื่นไม่มีแล้วก็มีผู้คุมโหดเต็มไปหมดส่วนมากจะมีหอกและคิมเหล็กเป็นอาวุธนะ สภาพริย์นรกคุมนี้คนที่ตายไปแล้วไปเกิดนะที่นี่จะต้องวิ่งต้องหนีลูกเดียวทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะร่างกายเปื่อยเปล่าเทางนั้นเขาวิ่งหนีอะไรวิ่งหนีสุนัข น, นรกและผู้คุมที่เป็นจอมโหดทั้งหลายไล่แทงด้วยหอกหมาไล่กัดทั้งที่ถูกแทงถูกกัดขนาดนั้นยังไม่ตายอ่ะเจ็บมากปวดมา ก, มากสุ ด, สด จะมุดลงข้างล่างของมุดไม่ได้ไม่มีที่ให้มุดลงเพราะมีแต่ต้นไม้จอมโหดเท่านั้นนะนะที่คิดว่าจะพึ่งได้พอพยายามิ่นขึ้นไปบนต้นไม้นะหนามงี้วที่ต้นไม้นั้นกับมีเสพิงเด้งเข้าเด้งออกดึงดึงคุกที่ไหนแบบไหนที่นั่นนะเห้ยไม่ใช่หนามเล็กๆเลยนะเบิกหวะไปทั่วร่างร่างใดหมดแรงก็ถูกทีมคีบเอวเอารงมาไว้ที่พื้นนะ ก็กลับมีร่างสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่อีกแม้กับผู้คุมขอพากันเข้าลุยอีกบะไม่รอดรีงรอเรือกันเลยนะไม่มีพักยกให้น่าเหมือนขอโชมวยในโลกนี้เลยนะอ้อห่อเจบความทุกข์ความประมาณให้ตลอดผู้ใดแข็งแรงขึ้นต้นนิ้วขึ้นไปถึงยอดไปถึงกิ่งก้านสาขาข้างบนแล้วนึกว่าจะได้พักไม่ปวดทุกข์ที เราด้านมียอิกาปากเล็บอิกาปากทองตัวใหญ่ๆไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนเนาะมาถึงไม่ถามไม่ไทยนะไม่สวัส ด, ดีสวัสดีอะไรเลยอะ่ะทั้งจิกทั้งเล็บทั้งปากก็กลายเป็นผงกาประชาทิปไตยแล้วโอ้โหเจ็บมากๆนะเนี่ยอิกาปากเล็บขยุ่งด้ดยเขาจีด้วยจิกจิก้วยปากจิกที่ไหนจิก ขั้วล่างอะนะจิกหูจิตจมูกจิตตาทนไม่ไหวก็เอามือป้องปัดเพื่อเดียวเพอดาก็หลนลงมาอย่างหมดค่าพอถึงพื้ น, พ, นพื้นล่างแล้วนะพอถึงพื้นข้างล่างแล้วไม่ตายนะตกมาจากที่สูงขนาดนั้นนะก็บับมีร่างกายเป็นปกติขึ้นมาอีกแล้วทีนี้โรงงานที่รักจ้าจอมโหดอ๋อ ไมฟังอีลาฆ่าฮิโรมนะทั้งหมาทั้งคุคุมชาตเขามาทันทีต้องวิ่งหนีลูกเดียวก็จะหนีไปไหนล่ะคุกคุมก็เยอะหมาก็เยอะทางเดียวขึ้นต้นไม้เหี้ยวต้นไม้เหี้ยวก็แ้อีกแล้วหนามเหียวะปิงเด้งดึงเด้งดึงอมเป็นคนมันนอารมณ์เนาะเด้งดึงเด้งดึงมันมากแต่ว่าหนามเหียวมันไม่ อย่างนั้นเลยแฮะอ๋อเร่งถึงทีละทีเจ็บขนาดปวดขนาดมันอะไรกันขนาดนั้นเนอะขึ้นไปถึงยอดอีกาบ้าก่าลุมเอาอีกแล้วมันโกดมันแคนอะไรกันหนักหนาวโอ้โหมันเจ็บทุกชะไม่มีเดียนะทั้งหัวหูหน้าตาเนื้อตัวแข้งขาทั้งกิทั้งตีทั้งขยุ่งไม่เล็บอันแหลมคมเป็นอย่างยิ่ง สภาพทช่นนี่เป็นไปตลอดเวลาสถานที่นี้ก็ไม่มีคำว่าว่างเลยที่ค้นกลัไปมีน้อยแต่มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุวี่ทุกวันเพราะอายุในนรกนานมีระยะมีอายุยาวกว่าเมืองคนมากนรกขุมแรกในเมืองนรกเข้าร้างปีในเมืองคนเป็นหนึ่งวันของเมืองนรกขุมแรกนานโอ้โหแล้วจะ น, น้อยลงได้อย่างไรล่ะ ของสดสดคาวๆในโลกนี้นะมันเป็นของที่น่ารับน่าชอบทั้งน้าน่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายถึงมักจะอดไม่ได้ไม่อิ่มไม่พอสักทีกนดขนาดโรคเด็ดมาใหม่ๆพวกที่ชอบของสดยังพูดกันว่าตายข้างหัวมันเราจะไม่ยอมอดเด็ดขาดยอตยมยออยอตายแต่ไม่ยอมอดฮฮ่นะ่ยอมตายแต่ไม่ยอมอดเนาะพวกเราเนาะ เออมันแล้วมันแล้วเขาขานรับันอย่างนั้นน ะ, นะปัจจุบันนี้ทีวีลงข่าวเดือนมีนาพศสองพันหร้อยาสิบ้าเนี่ยว่าคนไทยติดเอ็ดล้านกว่าคนโอโ้ห โ, ห โ, ห โ, หโหลูกหลานวรุ่นที่รับของหลวงปู่หลวมพวดทั้ทงหลายจ๋าอยา่าฆ่าตัวเองเลยนะเออท่านผู้ฟังที่เขาไ ล, ลูกหลานที่นรักทุกตนหน้า โลกเรานี้ในอดีตมันก็เป็นเช่นนี้ในอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้คือมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ยังไม่ได้มรุษธรรมของพระอาเรณ์เจ้าย่อมจะถูกไฟทั้งสามกองแผดเผาอยู่ตลอดวันตลอดคืนไฟอะไรไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ มันจะเผาให้เจ็บปวดขนาดไหนก็ยินดีให้มันเผาไพาอย่างนั้นเถอะเนาะเผาทุกพพทุกชาตินับไม่ได้แต่เมื่อผู้ใดได้มาพบคู่หมดไปแล้ว <c oughs> ท่านก็จะบอกว่าพวกคุณแม่คุณทั้งหลายเอ้ยไฟในมือของพวกคุณนะมันร้อนนะคุณจะถือมันไว้ทำไมทิ้งชะทิ้งซะ บางท่านก็ทิ้งได้บางท่านก็ทิ้งไม่ได้แต่บางท่านก็ทิ้งได้บ้างทิ้งไม่ได้บ้างนะตามกำลังสติปัญญาวิชาความรู้ความสามารถของแต่ละ บ, บุคคลเมื่อใดพวกเราทั้งหลายภาคันทําบุญให้ทานประการรักษาจีนประการสวดมนต์ภาวนามาฟังเทศฟังธรรมสนธนาธรรมกันไฟมันก็อ่อนกําลังลงไปบ้างนะบางลายก็ดูเหมือนว่ามันดับไปแล้ว แต่เชื้อมันยังมีอยู่อยู่ๆมันก็จะวูบวููขึ้นมาใหม่เนอะบ้าหัใจไม่ได้เลยนะเจ้าไฟทั้งหลายเหล่านี้นะเออถ้าพวกเราทั้งหลายอยากจะบรรเทาเวทนาจากการถูกไฟเผาหรืออยากจะให้ไฟหายไปจากเราให้หมดหมดก็พาตังเลีบกินยาขององค์พระพุทธเจ้าไปเนอะองค์พระพุทธเจ้าเป็นหมอยา ที่ดีที่สุดอย่ารักษามาให้เราถลุกไฟเผาต่อไปนะไฟที่เผามาแล้วพอจะได้มาลายหายความปวดแสบปวดร้อนก็ยังไปรักษาโรคไฟไหม้กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ดับไฟในยาทั้งหลายอันมีองค์หลวงปู่มัน่นองค์หลวงปู่สดองคหลวงปู่บัวองคหลวงพ่อวัดแพรสุงเป็นต้นเน้อฤทธิไปซะลูกหลานที่รัก บทเข้าไปในเนตก็ได้นะง่ายดีนะหรือว่าช่างื้นรับงวิศนีก็ได้นะเสียงก็มีหนังสือก็มีเนะอะผู้บาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะท่านหมดทุกแล้วแล้วก็แนะนำพ่อสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้ทางดับไฟให้รู้ทางที่จะเข้าสู่แดนสุขขาวดีคือว่ามังเกียวอมตะมาเนโลกปาน อันไม่มีอะไรปรุงแส่งต่อไปอีกไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกเป็นชีวิตที่อิสระนอะ้องสะอาดสว่างใสที่สุดจิตใจไม่มีอะไรอะไรจะมาทำให้เป็นเชื้อโรคใดๆต่อไปอีกเลยนะดีไหมถ้าดีก็เรียบรีบขวนขวาย ห, หานะกรกหลกักสานัก ของปู่ของทวดทั้งหลายเอ๋ยถ้าเราทั้งหลายแสวงหาธรรมแล้วทํานั่นนำมาผัวพื้นปฏิบัติแล้วพวกเราจะมีความสุขความเย็นอกเย็นใจนะตายแล้วจะไม่ได้ไปสู่ไฟในเมืองนรกจะไม่ได้ไปตกอยู่ในนรกจะไม่ได้ถูกไฟนรกเผาเด้อ านนิยมานาที่บายว่าคนทั้งหลายที่มาสวยกรรมอยู่ที่นรกขุมนี้นั่นคือคนชอบติดสินขอ้นอกรามเมยผู้หญิง ค, คบชู้ผู้ชายคบชู้ผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงที่ชอบผู้ยี่ผู้ยอมลกูกหลานคนอื่นและลกูกหลานตนเองนั่นแหละว่อย่างไ้นนะเออมันโรงอยากใช่บหเออมันไม่อิ่มไม่เบื่อเลยใช่ไ้ย เออมันโอกาสให้จริงๆใช่ไหมมาสิมามามาเอายาขององค์พระพุทธเจ้าไปรักษาในด่วนเน อ, อลโรคิดแบบนี้นะมันอันตรายนะอยู่เป็นคนก็อันตรายใจไปแล้วว่าอืมฮึจิลีเด้อทุกจิลีนะอ่าในมันในเมืองคนจะทุกเหลือโทนในเมืองนรกนะจะบอกให้นะมันในเมืองคน แต่แทุกกระทวนในเมืองนรนกเขียวละ่ะยังเมื่อเป็นคนไม่ได้ด้วยมนเพือเอาด้วยคาถาเอาด้วยเงินตราเอาด้วยการวางยาอะฮะระวังระวังนะแต่เนี่วจะต้องมาสมุดกล่องในแดนนรกต้นไม้ยิวนี่จนกว่าจะหมดที่แบบกล่องนั้นนะเมื่อ้นจากนรกมาแล้วก็จะถูกส่งให้มาเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นหนูเป็นต้น ที่ทำการเสพเมถุน ก, กันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่พอโตได้ที่ก็ผสมกันโหนเนี่ยไปหมดเลยดังนั้นพวกเราที่รับทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะจ๊ะจึงไม่สมควรจะเป็นคนหน้าหนาหน้าด้านหน้ า, น า, นามืดตาโมาเห็นแก่กรรมกันหาอันเป็นความสุขชั่วแล่นกันต่อไปอีกเลยเนะ้อ หรือวิปากันมาอแอบน้ําใสคือน้ำนํคำคำน้ํำคำคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟันเถิดเนอรเรีบเรียบปฏิบัติตามควำสั่งคําสอนขององค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟันเถิดเนอความโง่ความหลงความอยากมันจะได้บรรเทาเบาบางลงไปดีไม่ดีก็อาจจะหมดไปเลย ก็ได้นอะอย่างกรรมสุดๆก็จะได้ไม่ติดสินข้อกรรมเองจะได้ไม่มาตกอยู่ในนรกสิ่งที่นี้กันต่อไปอีกเนอะในท่านผู้ฟังที่รับท้งหรายโกเตงเล่าว่าในเมื่อได้มาเที่ยวในบางนรกถึงสถานที่นี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นนะตายไปแล้วเพราะเหตการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบันนี้มันเหมือนเกิดขึ้นจริงๆกับ ชีวิตประจาวันที่ผ่านมาแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกๆกว่าเดิมเท่านั้นคือได้มารู้มาเห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นและผู้ที่พาที่พามาตั้งแต่ต้นนั่นก็ไม่เคยรู้จยกกันมันก็เท่านั้นเองจางไปเน้อการผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายหลบหลานเทราของหลวงปู่หลวงทวด ใ น, นเมืองนรกในนั้นะมันทุกข์มากมาทุกข์มากกว่าความทุกข์ในเมืองเมื่องเรหลายฉันเท่าเนอแล้วเวลาที่สวยที่ประกรรมมันก็ยาวนานมากมากเนอยาวมากนานมากนะหลังจากนั้นนายนิริยบาลก็ได้พาปุตติ์ไปชมสถานที่อีกแห่งหนึ่งสถานที่แห่งเนี้ยกว้างขวาง ม, มากที่สุด กว่าที่อื่นๆที่ได้ไปชมผ่านมาแล้วโอ้โหมีสัตว์นรกมากที่สุดเลยนะสภาพการลงโทษก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันบางกลุ่มถูกทําร้ายด้วยอาวุธต่างๆบางกลุ่มถูกต้ม อ, อยู่ในกระทางใหญ่ๆบางกลุ่มประกางถูกแปงการในบางนรกในบางนากรกลุมจิกตีบางกลุ่มก็มีไฟเผาไหม้ทั้งตัว บางกลุ่มก็กอดขวดเหล้ากินการอยู่อย่างอริสอร่อยกินอย่างหิวกระหายยิ่งแต่พอน้ําเหล้าเข้าปากไปแล้วก็กลายเป็นน้ํากรดกัดปากกัดคอกัดลําไส้กัดเฉพาะอาหารอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆนอนคลื่นเปื่อยร้องปวดโวยไ ด, ได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นอย่างยิ่งเห็นว่าผู้คุมเมียก็ขอยาผู้คุมก็ให้ ก็เรียบเรียกินเข้าไปแต่เออเนออยาเจ้ากำกินเข้าไปแล้วกลับกลายเป็นก้อนไฟลุกไหม้อีกจนเรียบเรียบบ้วนทิ้งเมื่อร้อนมากมากก็แสวงหาที่แก้ไขก็เห็นหม้อกระทะที่ใหญ่ใหญ่เต็มไปด้วยน้ำใสๆก็รีบก็จูนลงไปสินะม <c> า <oughs> นอย่างว่าะคือไม่ออไม่สงความนึกคิดคือมันกลับกลายเป็นน้าร้อนที่กาลัง เดือดจะล่เจรินะที่มันกำลังเดือดท้ามีควรนขึ้นมาโดยสิ้ปดแสบปดร้อนทำไมมีเดียนะโอ้โหโลุกลับแรงลับของปู่ของทวดจาทุกทรมานมากเหลือเกินนะจ๊ะกอคิดคิดจะหนีออกจากแดนนี้ไปก็หนีไว้ไม่ได้ต้องมีอีกาปากหล็กอีแร่งปากทองคอยป้องกันไว้มันยือนอะ มันเยอะมากๆพวกมันมากจริงๆเข้าสกัดข้างจิกทัําตีท้ําขยุมไม่ไหวต้องรบวิ่งบบกลับมาสวยกลองที่เดิมบางกลุ่มก็ถูกบังคับให้กินน้ําทองแดงที่กําลังเหลวร้อนเต็มที่ถ้าไม่กินเองก็ถูกผู้คุมจับนอนหงายงัดปากหล่อเข้าไปในปากนะปลอกเข้าไปปลอกเข้าไปมีบริการให้มากไม่หมดไม่เปลืองนะมันไม่มีคาว่าหมด ถึงปากปากพังถึงคอคอฟังถึงท้องท้องพังนะแต่ไม่ตายนี่สินะท่ารทรมาณถึงที่สุดแล้วสภาพร่างกายก็กลับฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ถูก ท, ท, ท ร, รมโธษทาพรมาณต่อไปเรื่อยๆจนพอจะหมดวิบากกรรมที่ได้ทำไปนั่นนายเนี่ยบานบอกกับโคเตงว่านารกแดนนี้เป็นแดน สุดท้ายที่จะมาชมที่จะพามาชมนะได้อธิบายว่าคนที่มารับโทษเหล่านี้ชอบกินเครื่องดองของเมาที่มีพิษต่อร่างกายที่เรียกว่าฟินสุรายาเสพติดเป็นต้นมนุษย์บางค น, มนเมามเมาแล้วเ อ, อ, อะอะอารวาทุกตีลุกเมียรหรือชอบไล่ชกต่อยทำร้ายผู้อื่นบางคนก็ขอบคมทำเขียนต่อสตรีเพศ ด้วยการข่มขืนกระทังทำเหล่าผู้หญิงมีจิตใจหดเยี่ยมยิ่งก่อจดัดเดรฉานบางคนเมื่อเมามาแล้วชอบชอบตบตีพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่บางพวกเมื่อเมามาแล้วชอบไปด่าว่าสรณะขีพความ์ผู้ทรงศีลบางพวกก็ชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าคนเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะถูกนํามา ลงโทษที่นี่ตามผลของกรรมที่ทําไว้จาแนกให้หนักเบาตามบิดบากรกรรมของใครของมันนะ เ, ออเมื่อหมดกรรมในแดนนรกนี่แล้วก็จะถูกส่งให้ไปเกิดเป็นสัตว์นาลายชนิดตามเสร็จของกรรมที่เหลือเมื่อพ้นจากสัตว์นรกได้แล้วก็จะได้เกิดมาเป็นคนใหม่ถ้าโชคดีได้มาพบพระพุทธโอมาธรหมโพระสังโข ความดีเก่าก็มาให้ผลบ้างกอบคู่จิตใจให้ได้มาพบทางสว่างมีความเคารพเรื่องใสในคุณพระรัตนตรยพบพ่อดีแม่ดีคุณบาอาจารย์ดีมิตรดีผัวดีเมียดีได้ทำบุญให้ทานได้รับสาสนภาวนามีจิตใจดีขึ้นไม่เป็นคนใจบอดจิตใจดีผลความดีก็จะให้ผลให้ได้มนุษสมบัติ สวรรค์สมบัติทรงสมบัติและบางท่านก็มีเครื่องใหญ่ได้มีฟันสมบัติหมดทุกข์กันไปเลยจากวาสนาะบารมีคุณงามความดีของแต่ละท่านละท่านที่มีตามระดับความสามารถของตนนั่นๆในขณะนั้ น, นก็มีผู้ชายสองคนได้เดินเข้ามาหาโกติงและนายนิยิบาลยกมือขอข้าวกินด้วยความเ ห, วหิวโหย เขาบอกว่ามาได้สองสามวันแล้วรู้สึกหิวหิวจนเป็นลมหมดสติไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ตายจริงโซเซหนีมาขอได้โปรดขอได้โปรดให้เข้ากินสังมือสดจ้านายนิยบาลถามว่าหิวมากหรือทั้งสองตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหิวมากๆขอรับขอได้โปรดช่วยชีวิตด้วยเถิดนายนิยบาลได้ชี้มือไปทางใช้มือ ขางก็บอกว่านุ่นงอยบอกว่านุ่นงอยข้าวปลาอาหารมีตั้งหลายหม้อด้วยอาหารีดีเท่านั้นชายทั้งสองมองตามก็เห็นมีข้าวปลาอาหารจริงๆจึงจรีบวิ่งเข้าไปด้วยความหิวแต่พอไปถึงอาหารอาหารเหลนั้นก็กลับกลายเป็นกองหินของสายไปหมดชายทั้งสองรีบกลับมากัดพ่อต่ว่าว่า ข้าวปาหารมีที่ไหนไม่แต่กองหินดินชายจะกินเข้าวปาได้อย่างไงนาย น, นิติบาลหัอเราะหึห่งหแล้วหันไปชวนโกเจงว่ายาไปสนใจเรื่องของเขาเลยนะเราเดินกันกัประเทสพ้องกับบอกโกเจงว่าคนทั้งสองคนนี้เมื่อเป็นคนอยู่นั่นชอบคอรับชั่งโกงกินเงินค่าหินค่าดินค่าชายจึงต้องมารับความอย่างนั้น ลูก ห, หลานที่รัทั้งหลายเหรียญที่รักทั้งหลายเยายมื่อโตขึ้นมาแล้วได้ยามเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบที่ชอบการเถิดเนะิ่รจะทํามาหากินในหนทางที่จะทําให้ตนเองเดือดร้อนนะองค์พระ ส, รสัมพุทธเจ้าทรงตือนก่อนไว้ว่ากรรมใดเมื่อทำไปแล้วจะทําให้เดือดร้อนในภายหลังกรมนั่นไม่ทําเสียเลยดีกว่า จ, วจําไว้นะจ๊ะ องพระกามาสัมพุทธเจ้าทรงปรัสสอนไว้ว่ากรรมใดทำไปแล้วจะทำให้เดือดร้อนภายหลังกรรมนั่นไม่ทำจะเลยจะดีกว่าน mm hmm. วเน้อโคติงมาได้รับคมอธิาาาาบายจากนายเนรยบานแล้วโคติงก็รู้สึกกลัวมากๆเพราะแต่ละแดนแต่ละสถานที่ต้องสุกทำโทษทำทรุณอย่างหดเหี้ยม คุณจากแดนนรกแล้วยังจะต้องคอยเกิดเป็นสัตว์นานาชนิดต่อไปอีกด้วยคุณโกเตงแช่เย็บให้ถามนายนิยาบาลว่าทำอย่างไรเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะไม่ได้มาเกิดในดินแดนอันเป็นความทุกข์ความทรมานเหล่านี้นายนิยาบาลตอบว่าตามธรรมดาทุกคนที่ไปเกิดเป็นมนุษย์รือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริงอยู่แล้ว ถ้าไม่เปยทำบาปทำชั่วโดยวิธีง่ายๆก็คือให้รักษาสิน5ให้ได้เท่านั้นแม้จะไม่เคยทำบุญทำทานทำกุศลใดๆถ้ารักษาสิน5ได้ก็จะไม่ได้มาตกอยู่ในดินแดนอบะยภูมิทัง้งจีนนี่เลยคือนรกเตตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอาจจะไม่ได้มาสุดแดนเหล่านี้แล้วชิน5ห่คือเป็นสมบัติที่มี คุณค่าล้าค่ายิ่งศินห้าจึงเป็นสมบัติที่มีคุณค่าอันประเสริฐยิ่งเป็นสมบัติอันมงคลของเราทั้งหลายจะพึงรทบิ์ฤทธิ์พระอัลลอฮ์ อ, องค์พระพุทธเจ้ามอบสมบัติอันประเสริฐนี้ให้พวกเราเพราะศินห้าเป็นที่พึ่งของเราได้ผู้รักษาสินห้าได้แล้วสินห้า จะเปิดปิดประตูอบัยวุมทั้งสี่ได้แต่ยังไม่ถาวร น, นะเธ mm hmm. อเมื่อไร อ, อประมาทเมื่อใดอาจจะรักษามาได้อีกหรืออาจจะมีกรามหนัก บ, บางอย่างทำให้มาตกหลกดาย mm hmm. เช่นการประมาทการรสน า, ายหรือไม่มีจิตนาการเป็นนี่สงหรือไม่จิตนาเช่นการไปเอาของในป่า ที่เป็นของวัดร้างมาเป็นของโตนอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องมาจบนรกเพราะการทําอันแม่อันรู้ไม่ต่อถึงกาณนั่นพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อวัดท่าชุงพระราชภูมิยานมหาเถระเจ้าได้บอกไว้ว่าถ้าไม่อยากจะไปสุดแดนอมัยภูมิทั้งสี่ต่อไปอีกเลยนั่นให้ปฏิบัติอย่างนี้นะคือว่ามาตอนวักก่อนนะลูกศิษย์ขององค์ท่าน อห้เขีญนเป็นคำข้องจองเพื่อจอง่ายๆไว้ดังต่อไปนี่เนอมีพระไตรรัฐเป็นที่พึงมันลำพึงถึงความตายเสียนห้ารักษาอย่าให้ขาดหายชาตินี้ถ้ า, า, า, า, าใจขอพระมีควาแห่งเดียวเนอให้ทำจิตให้เข้าถึงอารมณ์นี้นะถ้าอารมณ์นี้ทรงตัว แล้วโค้นจัดอบัยูมิทั้งสี่ยางถาวรมีพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอนเน้อพวกเราทั้งหลายทั้งผู้อ่านผู้ฟังที่เคารพรักและลูกหลานที่น่าอินดูทุกคนฟังแล้วจำให้แม่นเพานำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขของพวกเราเองเนาะทีนี้และทีนั้น คือในขณะ น, อนอั้นนะนะโกเตงพอรู้สึกหิวข้าวหิวน้ำเชื่อมายอย่างที่สุดมันกันเรียได้ขอร้องนายรีบบาลว่าขณะนี้รู้สึกหิวรู้สึกกระหายน้ำเหลือเกินขอช่วยด้วยเถิดเนะ้อนายในรีบบาลบอกว่าได้ไแล้วพาพาโกเตงไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งมีสภาพเหมือนเป็นโรงอาหารนายในรีบบาลได้สดั่งให้พนักงาน นายน้อยไปจัดอาหารมาให้กูเตนสำหรับหนึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งน้ำที่กําลังอุ่นๆ อ, อยู่โกูเองดีใจมากๆเรียบเ ข, ข้าไปคล้ายๆแล้วหยิบช้อนตักข้าวเข้าปากไปคำหนึ่งแต่พอปลายช้อนแตะปากเข้าไปเท่านั้นนะเข้าวจุกน้อนก็อันตรทานหายรบบไปเลยกูเองเหงื่อหน้าดูนายริวานพ้องขาพูดเสมออยากแกล้งคนที่คนกำลังหิวๆนะ แล้วใช้ช้อนตักข้าวใส่ปากอีกเป็นครั้งที่สองพอปลายช้อนถึงปากเข้าสุกก็หายแรบไปอีกแล้วโอ้โหเอมันทํำไมนนาเข้ามันหายแรบไปตกตารู้สึกอ่อนใจดีเก้วน้ำขึ้นเพื่อจะดื่มพอเก้วน้ำจดปากน้ำก็หายวับไปเหมือนเข้าสุกนายเนี่ย บ, บานหัวเราะน้อยๆบอกกับกูเองว่า คนที่ตกมาสู่โรคนี่นะถ้าไม่เคยทํากุศลคนบุญไว้ตลอดชีวิตชีวิตจะต้องอดอยากเหมือนชายทั้งสองที่เราเห็นผ่านมานั่นแหละจะมีแต่ความทุกข์ยากอยากยา ก, ก็ไม่มีจะกินนะไม่มีจะดื่มนะมีก็กินไม่ได้ดื่มไม่ได้จะยากจนตลอดเวลาจนกว่าจะมีคนทําบุญที่เป็นบุญจริงๆ แล้วที่ชวนผุศชนผลบุญมาให้โกเจงก็าไม่เคยได้ทําบุญไหว้เหมือนกันกิงของทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่ใช่ของโกเจงพอจะกินจะดื่มมัมนจึงหายไปหมดอ่าเราไม่ได้แกล้งโกเจงหรอกนะโกเจงไม่ได้ฟังด่า น, นั้นก็ยิ่งกลัวมากพ็ยิ่งเปลงกลัวมากมากมากกว่าเดิมเพราะตัวเองก็ไม่เคยทําบุญให้ทางมา ก, ก่อนเช่นเดียวกัน คิดว่าถ้าเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราจะพยายามไม่ทำความทั่วทั้งหลายจะพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์และจะพยายามทำบุญให้ทานทําความดีให้ได้มากๆจึงหันไปพูดกับนายในรีบานว่าเมื่อได้มาเที่ยวชมเมืองนรกแล้วอยากจะรู้ว่าสวรรค์สวรรค์น่ น, นะน่ะมีจริงไหมสวรรค์สวรรค์นั่นนะ่ะมันอยู่ที่ไหน สวรรค์นนะั้นมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็อยากจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ดูบ้างนายนิบานถามบ้าอยากจะไปเที่ยวเมืองสวรรค์หรือถ้าอยากจะไปเที่ยวเมืองสวรรค์ก็ให้บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือนี่นะและ้วสง่ำๆคิดคิดถึงคุณขององค์พระพุทธเจ้าก็ทำมาเจ้าพระสังฆขเจ้านะหลับตาอธิษฐานขอได้ไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ด้วยเถิด เราทำจิตให้นิ่งนิ่งให้สงบถ้ามีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวคือไม่มีอารมณ์อื่นแทรกพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติมะอาวุกพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติมะอาวุกอ่าจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกเข้าแต่ลมคือมีอารมณ์เดียวเท่านั้นคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่ มีอารมณ์อยู่ในคุณงามความดีของพระัาจารยตายเท่านั้นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมะาอาุพระเจ้าอยากไปเที่ยวสวรรค์แค่นอยไปเที่ยวพเจ้าได้ไปเที่ยวสวรรค์ไปชมสวรรค์ด้วยเถิดสับตาภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เย็นสบายเป็นหนึ่งวางอารมณ์อื่นๆได้หมดแล้วแล้วก็ลืมตาขึ้นมาโอ้โห อาจจะจันจริงๆเนาะโลโคก็แดนนรกก็ดีนายนี่บาลก็ดีนะหายไปหมดเลยอ่ะขณะนั้นได้มาเยืนอยู่ณที่ที่แห่งหนึ่งนะซึ่งเป็น ส, สถานที่รื่นรมอากาศเย็นสบายเต็มใ้เป็นอย่างยิ่งนะอะความเหนียวความกระหายที่มีอยู่ก็ ม, มาลายหายไปหมดสิ้น เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งมองไปข้างหน้าเห็นแมกไม้เขียวชอุ่มบุกว่าอย่างเป็นระเบียบสวยงามเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมๆของดอกไม้หอมเย็นละรื่นชื่นใจที่สุดเลยหอมตลบอบวนไปทั่วทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเหมือนในเมืองมนษดษย์ลมมาทางไหนกลิ่นหอมไปทางหน้าเนาะถ้าไปอยู่ที่มันไม่มีใ ต, ใต้ทางลมของกลิ่นหอมก็ไม่ได้กลิ่นนะ แต่อันนี้ตลกบกบอวนไปทั่วทุกทิศทุกทางเลยนะสระสานที่ก็ช่างสวยสดงดงามที่ชุดแห่งที่สุดนะคือไม่เคยเห็นที่ไหนที่สวยๆขนาดนี้มาก่อนเลยน ะ, ะเป็นสระานที่น่ารื่นรมที่สุดขณะที่กําลังเมือมองธรรมชาติอย่างตะลึงที่งอยู่เช่นัน ก็เห็นเทวบุตรเทวดาหลายองค์นะลอยไปบนยอดหญ้าที่เขียวขจีที่เหมือนปูร า, าดไว้ด้วยผืนคมอย่างดีสันใดฉะ น, นั้นเทวบุตรเทวดาเหล่า น, านั้นแต่งตัวโดวยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวยงามมากมากเพชรนินจินดาแซวสาวทอแสงรียบเรียบโอ้โหบางองค์ก็ ใช้ดอกไม้สีสดสวยเนบเข้าไปด้วยที่เนบที่ใบหูโอ้โหแล้วก็ควมกันเป็นคู่นะนี่ออกมาอ้อยอิงมาเห็นแล้ว <c oughs> มันึิดมือจริงเนะาะกเตรเดินเข้าไปหาเทวบุตรเทวดาแล้วถามว่าท่านเทวดาจะสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่แห่งใดจ้ะมันเป็นที่ไหนจ๊ะ เทวดาเขาตันหัวเราะไม่น้อยไม่ตอบนะแล้วพอลอยช้าๆหลบกันไปเลยเนี่ยโคจิงก็เดินต่อไปเดินต่อไปก็ไปพบ ว, วิมานหลังหนึ่งโอ้โหสวยงามมากๆากนะในวิมานหลังนั้นมีเทพสมุรท่านหนึ่งประทับอยู่มีรัศมีสีเขียวสปล่งประกายแล้ยิบระยับออกมาด้วยโคจิ <c oughs> ้งก็เข้าไปใก่ย้ยกมือไหว้ ถามด้วยความสงสัยว่าท่านเป็นผู้ใด ห, หนอท่านเป็นใครหนอที่นี่มันอยู่ที่ไหนหนอเขาเรียกว่าอะไรหนอเทวบุตรองค์นัานตล่าวว่าเรานี่คือจอมเทวราชสถานที่นี่คือเทวโลกยังไงล่ะจ๊ะโกเตงบอกว่าขณะนั้นนะยังไม่รู้เลยว่าจอมเทวราชนะคือใครไม่ได้สนทนากับองค์เทวราชกับพักไก่ใหญ่แล้ว จึงรู้ว่าอ๋อจอมเทวราชก็คือพระอินนั่นเองจึงได้ขอฝักเนื้อฝักตัวขอเป็นสานุรสิทิของพระองค์ท่านพระอินก็ได้สอบถามโกเตงว่าพระอินได้สอบถามโกเตงว่าเป็นยังไงจ๊ะได้ไปเที่ยวแดนนรกมาแล้วใชว่ไหมโกเตงกลัวไหมโอ้โหกลัวมากเลยขอรบับ พระอินท่าพอแล้วยังจะ ก, กล้าทําความผิดฝังชั่วอีกหรือเปล่าโกเตงไม่กล้าแล้วครับไม่กล้าแล้วกลัวจริงๆพระอินเออดีแล้วดีแล้วเมื่อกลับขึ้นไปในโลกมนุษย์พอให้ไปสั่งสอนพวกมนุษย์ด้วยกันนะอย่าให้เขาทํารําชั่วทําบาปไปหนักหนนะักาเพราะเมื่อหมดชีวิตแล้วจะได้ไปอยู่ในแดนนระกโน้น แต่ถ้าผู้ใดทำแต่ความดีมีศีลธรรมเมื่อสิ้นชีวิแล้วก็จะได้มาอยู่ที่เทวโลกอันแสนสุน้เนศะชนที่โกเตงขอเป็นศีนั่นโกเตงวล่าว่าพระอินทร์ได้สอนวิชาธรรมกายและวิชาอัจฉริญาสาธิตให้แต่ในหนังสือที่หลวงปูน่นำมาเล่าให้ฟังนี่นะคุณโกเตงแค่เอียบไม่ได้บอกวิชานี้ไว้ แตหลวงปู่ได้เห็นตำราโบราณมีพระคาาอัศอินสอนว่าอยู่หลายที่หลายบทจะนำมาบันทึกไว้ที่นี่หนึ่งบทเนาะตัวจะมีผู้คนสนใจนำไปทดลองปฏิบัติ ด, ดูอาจจะได้รับผลอย่างมหาศักยานได้คุณค่ามาหาศาลก็ได้เนะาะก็คาถาาว่าอย่างนี้นะฝังให้ดีลูกรับลานรักขององค์ปู่หลวงชด ทีรเราังหลายจฟังดีนะนะตั้งใจฟังพระคาถานะภูอังกะปุรังอังกุภูอังกะปุรังอังกุภูอังกะปุรังอังกุจได้ทรือยางภูอังกะปูรังอังกุให้ภาวนาพระคาถาบทนี้นะครั้งละพันจบทัหลายๆาครั้งหลายๆายวัน จะรอบรู้สิ่งต่างๆได้แม่อยากจะรู้ว่าถ้าเราตายจะความเป็นคนแล้วจะไปเกิดที่ไหนแห่งใดจะไปอยู่ที่ไหนก็รู้ได้เนะเมื่อโคตรเองได้ตายจากความเป็นคนไปเที่ยวเมืองนรกแล้วและไปเที่ยวเมงสวรรค์แล้วขณะนี้ทางมนุษย์โลกนี้เวลาได้ผ่านไปตั้งหกวันแล้วพระอินทร์บอกว่าเมื่อได้มาถึงเทวโลกนี้แล้วจะ พาไปเที่ยวชมเมืองพ ม, มโลกชั้นต้นเป็นชั้นรูปปคมไม่ใช่ชั้นอารมปปคมนะชั้นอารม ป, ปรปคมนั้นมองอะไรไม่เห็นฟังอะไรไม่ได้ยินไม่มีอายตนะทั้งหกเหลือเจ็จิตล้วนเมื่อหมดกำลังสมาธิที่ได้บำเพ็ญไว้เขาจะต้องสติมาเป็นคนเป็นชัดที่มีอายตนะทั้งหกต่อไปอีกเรียนเกิดเรียนตายต่อต่อต่อต่อไป ตามที่เรียกว่าวัฏฏสงสารนั่นแหละว่าแล้วพระอินทร์ก็ได้พาขุดเจิงไปพบ ม, มโลกไปเฝ้าพระพรมที่เป็นองค์ประธานของพระพรมทั้งหลายลักษณะของพระพรมท่านมีพระพักมีหน้ามีตาเหมือนเหมือนกับพระอินทร์มีพระพักแข็งขึ้นบ่งบอกถึงเป็นผู้มีเมตตามีกรุณามีมุม่ิดามมีอุเบกขา แต่มีพระศรีละเป็นสีขาวแต่มีพระรัชมีที่เป็นออกมาจากพระวรกายเป็นสีทองนะคือรอบรอบกายจะมีแสงออกมาเป็นสีทององค์ท่านปู่พระคมบอกว่าปัจจุบันนี้พระคมทั้งหลายนะโอ้โหถึงเวลาจุติไปจากภพโลกกันมากมายอะ่ะตอนที่จะบังเทิงกุศลขึ้นมาแทนนะมาเป็นคมใหม่นั่นนะนะ มีจำนวนน้อยที่สุดน้อยมากๆกที่ขึ้นมาส่วนมากก็เป็นพระเถระที่มีศีลสํารวมในภาพปฏิโมกข์รักษาศีลบริสุทธิ์แต่บางองค์ไม่มีอังสะห่มคลองกายมาเลยอันเป็นเครื่องหมายาแสดงว่าปฏิบัติพระธรรมินายบางข้อย่อหย่อนไปก็จะต้องกลับลงไปบมเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อเมื่อชมบุญในแล้วจึงจะสุติมาอยู่ท่าน ม, มโลกนี้ได้ จึงขอฝากข้อสังเกตนี้ไว้ให้พระคุณเจ้าพระภิกษุสานมะเนนทั้งหลายในโลกมนุษย์นี้จงได้สราบทัวกันโดยเน้อปฏิบัติความดีให้ครบบถ้าไม่ครบจะได้กลับมาซ่อมอามาสร้างบารมีต่อนะเพื่อให้ส่วนที่ขาดนะั้นครบขึ้นมาหลังจากนั้นพระอินได้พูดึ้นว่าขณะนี้ในโกสิงแช่เอ๊ะ ได้จจกลูกมนต์มาได้เจ็ดวันแล้วถ้าไม่รีบกลับก็จะไม่ได้กลับแล้วองค์พระพรมจรึงรับสั่งว่าเออท้าอย่างนั้นก็ให้พระอินทร์รีบพากลับส่งโดยเร็วเถิดนะพระอินทร์ก็เลยมาะโกะเตีนให้เทวบุตรที่มีฤทธิ์กล้าซื่งมีฤธิ์มากๆสององค์นํามาส่งที่บ้านพักที่อำเภอปกากพนังนั้นโกเตีนนี่เล่าถึงเหตุการณ์ในวันสุดท้ายว่า เมื่อเทวบุตรพามายัางบ้านพักแล้วก็ค้นหาร่างของตนไม่พบจึงเหาะขึ้นไปเบื้องสูงก็เห็นผู้คนกลังหามหีบศพของโกเตงออกจากประตูบ้านไปเทวบุตรต้องสแสดงรีบพาลงศพนะพาฝาลงจำปาอะนะให้แตกแล้วก็ล่นพขลุ่มคล้มค่่ำลงมาให้ลน้ออนก็กาแล้วสู่ๆดีไปนั่นเนี่ย วิญญาณของโกตง เ, งเงงตงก็มองเห็นร่างของตนก็เอมองเห็นร่างของตนเองที่นอนสงบแน่นิ่งอยู่ในโลงศพนั้นโกเตงเขาดิบส่งจิตเข้าไปสู่ร่างทันทีโกเตงนั้นฟื้นแล้ว น, นะแต่ลุกหลานที่รับทั้งหลายท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทระแน่ละพอฝาลงเกิดร่างเกิดแตกเกิดร่วงเกิดมามแบบไม่ขาดวันเช่นนั้นนะ คนหาเทั้งหลายโอ้โหอตกกรใจทิ้งคานหามเปิดแนบแล้วคนละทิตศละทางอะไรอ่าเนี่ยความพลังโดได้เกิดแล้วล่งศพก็ลนลงกระแทกพื้นอย่างแรงนะโอติงรู้สึกตัวแล้วอแต่คนเตงไม่เปลียนไหลนะเนาะเทวริศคงจะคุมของนะโตเตงรู้ตัวกอลืมตาขึ้นแต่ก็ต้องรีบๆปรับตาลงอย่างรวดเร็ว พรตาที่ไม่ได้ใช้งานมาตั้งเจ็ดวันนั้นชูกรอบแสงสว่างไม่ได้แสงสว่างที่เห็นครั้งแรกนั้นนะโอ้โหสว่างเกินจับกล้าจนแสบตาเลยตาที่หลับมาหลายวันหลายคืนถึงไม่สามารถชูกับแสงสว่างนั้นได้พอรวบรวมสติได้ก็พยายามวนเวีนลุกขึ้นนัง่งห้องหัวของโกเตงโผล่คนฝาหลงเท่านั้นนะ <c oughs> ทางด้านข้างด้าน หลังด้านหน้าหาอหวงชนต่างคนวิ่งหนีอย่างโกรมกันนะคือไม่เลือกทิดเลือกทาอ่ะต่างคนก็ต่างพึ่งพ่อกวยพ่อตั้งนะหลพ่อกลวยหลว่ตั้งตางคนต่างก็วิ่งบางคนก็ส่งเสียงส่งเสียงร้องรมเล่งร้งเล่ ง, ล ง, ลงจุดฟังไม่ได้ชอบนะอ่าบางคนก็ชนมันล้มขึ้นไปแต่ก็รีบลุกขึ้นวิ่งต่อไม่มีไปโม้ไม่ใครนะ กดเสียงนั่งได้แล้วก็ลืมตาดูสภาพสิ่งวดล้อมพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงเสียงเบาเสียงแห บ, บแห้งฟังไม่ออกได้รู้สึกเหนวหน้าอย่างที่สุดพยายามช่วยตัวเองนะพยายามลุกขึ้น เ, เดินกล้าออกจากโรงศพเมื่อเห็นคนที่งหนี้ท็นแบบนั้นก็เลยเอาเท้าฉีดกระสามทุกที่เขาจุดทุกอยู่แล้วนะใอ้โลงกริ้งแล้วก็แตกไปเลยนะ ที่สูจที่เดินนำศพอ๋โอโหก็ไม่ท้ระดาลนะตรงที่หลวงพ่อทั้งหลายนะวิ่งหน้าตั้งล่ะืมพุทโธธรมโอสังโคหมดเลยอ่ะนึกได้ใจหลวงพ่อหน้าตั้ ง, ลลททมมงโโเล <c oughs> ่ า, าละนะัะคือตั้งหน้าวิ่งวิ่งกันอะสินะลูกหลานที่รับทั้งร้ายท่านปู่ฟั่งนี่เขาหลทุกข้างถ้าพวกเราอยู่ในขบวนนั้นด้วยนะเราไม่แน่นะอาจจะพึ่งหลวงพ่อหน้าตั้งด้วยแหละ อาจจะพึ่งหลวงพ่อหน้าตั้มด้วยและอาจจะพึ่งหลวงพ่อป่วยด้วยก็ได้เนาะทังหลวงพ่อหน้าตั้งกับหลวงพ่อป่วยก็จาง ก, ก็ยังไม่เท่าหลวงพ่อฉลบนะ <c resistor> คนที่แย่ไปไปอาจจะถึงกับฉลบที่ใดใช่ไหมโอ้กลางวันแสกแสกขนาดนั้นกำลังนําศพไปอยู่ที่เก็บศพของคนจีนแบบนั้น่ะลงแตก คนใจโผล่ขึ้นมาเดินออกจากโรงพมาบาลพดถอบือไม่อยากคิดนะถ้าเป็นพวกเรานะพระเจาถ้าเราลื้บื อ, บอเท้ามันจะอยู่หรือเปล่านอนะ้อ <c oughs> ขนาดพระสงฆ์ทั้งหลายนระ <c oughs> องเท้าหยุดยังไม่ยอมเก็บเลยนะทัางทุกองไม่มีลูกไม่มีเมียเหมือนเราชาวบ้านเลยนะ แต่ท่านยังวิ่งกันน่ะแต่โอนแางกอวิ่ ง, ง, งที่วอซิลกว่าทางนั้นเออแสดงว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายก็ยังพึ่งหลวงพ่อโกยเหมือนกันนะแล้วพ่อราล่ะจะพึ่งทางหลวงพ่อโกยและหลวงพ่อหน้าจ่างดยใชไมล่ะเออแต่ว่าท่านผูกฝังใจเราทั้งหลายคนที่ไม่ถือหลวงพ่อโกยก็ยังคงเหลืออยู่บ้างนะดีนะ ไอ้พวกนี้ไม่มีปืนถ้าเขามีปืนได้คิดว่าสีดิบอารวาสเกิดยิงเปรื้ยงแป้งหยุดสีโกเตงก็คงจะต้องกลับไปเที่ยวเมืองสีต่อไปอีกนะการผู้กรหังก็เข้าหากเตงเขามาหาโกเตงสังเกตดูด้วยเหตุด้วยผลก็รู้ตามความเป็นนี้ว่าโกเตงไม่ใช่สีดิบนะโกเตงฟื้นแล้วนะเขาจึงรีบประกาศขึ้นดังๆว่า ปวดเตงคุณแล้วปวดเตงคุณแล้วไม่ต้องกลัวไม่ใช่ผีปวดเตงคุณแล้วเว้ยคนที่หนีไปก็กลับเข้ามาใหม่แกก็ช่วยเหลือปวดเตงนะประคับประคองเอาแนงะ้มมาให้ดืม่มแล้วก็พากันประคองกลับเข้าบ้านไปอา่อาฮะตายไปตั้งหกเจ็ดวันปวดเตงยังมีแรงอยู่บ้างเนาะขนาดลูกออกมาจากโรงศพได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ เขาได้ดื่มน้ำสมอยากผู้คนก็ามาสุรมุลรอบข้างไม่มีใครกลัวผีแล้วทีนี้นะดางแวดหน้าแวดหลังทาเขา่าบานนอพักผ่อนเป็นเวลาหลายวันร่างกายของโกเตงก็กลับเข้าถูสภาพปกติตามเดิมแล้วชีวิตของเขาเมื่อตายไปแล้วไม่ไปพบไปเห็นอะไรมาเขาก็ไม่ได้ติดบังนะทําตามคำสั่งขององค์ท่านปู่ปอิน ที่ให้บอกต่อๆกันไปเพื่อไม่ให้ผู้คนทั้งหลายเพลิดเพลินในการทําบาปมากเกินอยถ้ารักตัวก็ต้องกลัวความคิดมันถึงจะถูกต้องถ้าคนในโลกนี้ดีโลกก็จะมีแต่ความสุขสงบถ้าคนในโลกนี้ดีโลกก็มีแต่ความสุขสงบถ้าคนในโลกนี้ไม่ดีคนทั้งหลายก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน โลกนี้ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนไม่น่าอยู่นอนตาไม่หลับมีแต่ความก้าวหองระแหงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งก่อนและก่อนฝ่ยราคะไ่อยโทสะไ่า ย, ยโมหะไม่ไปทวดทุกชอบทุกมุมของประเทศและความสุขมันจะมีมาแต่ที่ไหนเล่าบอกเราทั้งหลายเอ๋ยเรื่องของโกจริงที่เล่าให้ฟังนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันให้พวกเราได้รู้ว่าตายแล้วนะ่ะมันไม่สูนะ์เน้อบาปก็มีจริงบุญก็มีจริงนรกสวรรค์ภพมมนิพพานมีจริงจรนะิงเน้อชีวิตของโกดังนับแต่นั้นเป็นต้นไปก็ตั้งอยู่ในสมาทิฏีิบุคคลเคารพพระรัตนาตายทําความดีทานศีภาวนาไม่ทําคอยห้เดือดร้อน วิชาธรรมกายและวิชาอาภิญญาตารคิดก็ใช้ได้ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายก่อนที่จะจบเรื่องลมไปให้เรียบร้อยนี้ลงปู่ก็ขอนำเอาเกิดความรู้ขององค์หลวงพ่อวัดแทสูงที่ได้ประสม มาด้วยตนเองมาอนให้ฟังเพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้ทำบุญหาคนตายได้ถูกต้องคนตายจะได้รับผลบุญจริงๆดังต่อไปนี้เนาะเมื่อปีพศ2504อัตมาคือพระเดชพระคุณองค์หวงพ่อวัชาชุงมไปเทศที่วัดศรีสะเมืองในวงเล็บ ว, วัดมหาธาต อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธวันนั่นเขาทําบุญงานศพสำหรับงานศพรายนี้ก็ปรากฏว่าลูกสาวเป็นคนจัดงานทําศพให้พ่อและมารัตนาอาตมาเป็นประธานก็เลยบอกเจ้าขาาว่าจะให้เป็นประธานก็ได้แต่ถ้าพระเป็นประธานแล้วก็การจัดงานศพพ่อกอ็ดี การจัดงานบวชก็ดีและการทรําบุญทั้งหมดจะมีบาปแม้แต่ น, นิดเดียวก็ไม่ได้คือหนึ่งสิ่งใดก็ตาม ท, ที่เป็นบาปอกุศลจะต้องไม่มีในงานนี้แม้แต่ไข่ทุกหนึ่งก็ห้ามทุกถึงขอบอกว่าไข่ไม่มีตัวก็ไม่ได้ใจเหมือนไม่สบายสองเวลาจัดงานศพคนจะหาคนรับรองขแขกแทนตัวเองไว้ ใจจะได้ไม่กังวลเวลาพระให้ศีลต้องรับศีลให้จบและตั้งใจรับศีลด้วยความขอรพเวลาพระชวดก็ต้องตั้งใจฟังพระชวดจนจบด้วยความขอรพเวลาพระเทศก็ต้องฟังเทศด้วยความขอรบจนจบเวลาถวายทานให้ตั้งใจถวายด้วยความขอรพสามอย่าให้มี สุรายาเมาเข้ามาเกี่ยวปนในงานสีมองศบยามีเม็ดเด็ดผีพากองยาวก็คนส่วนใหญ่มักจะกินเหล้า่ันลูกสาวพอ ร, รับคำและปฏิบัติจำน้นตอนเช้าบทน้องชายตอนสายก็นำสพพ่อขึ้นสลาตอนเพลเรี่ยงพระสามสิบกว่าองค์ถอยผ้าสบงผ้าตรจีวร เป็นสังฆทานเต็มอัตรามีเทศสององค์อตมากับเจ้าคุณภาวนาพิบรามเถระซึ่งเป็นอาจารย์วิปัสนาญาณองค์หนึ่งตอนต้นอตมาก็บอกอนิสงส์ไว้สัสิบห้านาทีต่อมาเจ้าคุณภาวนาซึ่งเป็นองค์ถามองค์เนี้ยท่านชอบร่ายยาวอย่างน้อยที่สุดจะต้องพูดสามสิบนาที ท่านว่าอารมพบ น, นะนะเมื่อท่านเริ่มตั้งหน้าโมอตัมมา ก, ก็จับจิตเข้าสู่ความสงบตามแบบฉบับที่หลวงพ่อกานเคยสอนว่าก่อนจะเทศ ต, ต้องทำจิตให้เข้าสู่พระกรรมฐานสูงสุดเท่าที่เรามีอยู่ขณะที่ท่านร่ายยาวอธตมม ก, ก็นึกว่าวันนี้ได้คล่อไหพอจิตวางอารมณ์ได้สบายจากห้านาทีก็นึกถึงคนตายว่า นายกิมแกไปอยู่ที่ไหนมองดูรอบๆ บ, บริเวณที่ขอทามวลเห็นแต่พวกเป็ดมายืนเต็มพืชเป็นแสมรอบสาราไปหมดแต่ผีนายกิมไม่ปรากฏม่อยู่ที่นันจิงสงสัยนายกิมน่าตัวจะมีอันตรายหมายความว่าแกอาจจะถูกลงโทษห้วอกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจึงก็งดจิตนึกถึงท่านท้ามหาราช ถามท่านว่าเวลานี้ในกินอยู่ที่ไหนใครควบคุมอยู่ถ้าอยู่ในช่วงสวยทุกขเวทนาอยู่ขออนุญาตคู่หนึ่งได้โปรดนำมา่อนด้วยเวลานี้เขาทำบุญใหญ่ให้จะไปเรียกเขามาเฉยๆไม่ได้ก็ไม่มีสิทธินะท่านท้ามหาราชท่านให้ลูกน้องสองคนไปบอกเจ้าหน้าที่ แล้วจริงนํามาภาคพ่อปรากฏนายกิมเดินมาหน้าตาเศร้า้อยมีความทุกข์เือเกินมีโซ่สองเส้นร่างคอมีคนจุงหางโซ่ข้างละคนนายกิมอยู่ตรงกลางพอมาถึงก็นั่งก้มหน้าแสดงความทุกข์ข้างขมารเรียกอย่างไรก็ไม่เหน่ยหน้าฟังเลยไม่ยอมพูดจึงถามคนที่คุมมาว่าทำไมเป็นอย่างนี้ เขาบอกว่ากรรมมันหนักครับจึงถามว่าขอตัดสินแล้วหรือขอตอบยังครับยังรอการตัดสินอยู่ถ้าตัดสินแล้วไม่มีจิตที่จะชยให้พ้นทุกได้ถ้าลงนรกไปแล้วไม่มีจิตขอทานนะถ้าได้ก็เพียงแต่ความร้อนลดรงไปบ้างจึงถามว่าวันนี้เขาบวชลูกชายแก่เพื่อทำบุญให้ มีการถวายสังฆทานเรียงพระบองสกุลสามสิบกว่าองค์แล้วก็มีเทศโดยจัดว่าเป็นมหากุศลบุญใหญ่ทั้งหมดขนาดนี้ทำไมจึงโมทนาไม่ได้เพราะตอบว่าไม่มีจิตโมทนาเพราะกหนัง บ, บุญที่ลูกทำให้ก็ดีหรือบุญที่นายกิมทำมาแล้วกว็ดีเวลานี้กำลังไม่พอแล้วเขาก็เล่าประวัติของนายกิมว่า เดิมทีทงความไม่ดีมามากแต่ตอนปลายได้มาพบอัตมานั่นแกทาความดีเวลานั้นอาตมายังอยู่กรุงเทพขึ้นมาที่รรยมานอนพักห้าวันเจ็ดวันในคกิมก็มานอนอยู่ยโดยทุกวันถ้าอาตมาไม่กลับแกก็ไม่กลับให้ลูกสาวเอาข้าวต้มมาถวายตอนเช้าตอนเพรนเอาข้าวสวยมาถวายตอนบ่ายตอนเย็นเอาเปลืั์มาถวาย คำดีทุกอย่างมาประมาณสิบปีเ้าก็ไม่ดื่มแต่ถ้าว่าอาดีตของแกมันไม่ดีเขาเรียกว่าต้นคดปด่ายดีหรือเรียกว่าจนกลับใจก็ได้ชั่วกับดีมันก้ามกึึงกันจะลงนรกทีเดียวหรือขึ้นสวรรค์เลยก็ไม่ได้ต้องสอบสวนก่อนก็เลยบอกว่าความดีเขามีอยู่แต่เวลาจิตมัวมองอย่างนี้บุญอะไร ขอจึงจะโมทนาได้คนที่คุมมาท่านที่มาที่อัตมาบอกว่าบุญพระกรรมฐานของท่านช่วยได้ถามอีกว่าบุญที่ขอทํามาก่อนกับบุญเวลานี้จะรวมตัวกันหรือไม่ท่านตอบว่ารวมตัวครับแสดงว่าเวลาผุดโสนกำลัส่งผลผลบุญทั้งหมดที่ทำไหว้ก็จะรวมตัวกันช่วยเสริมทันที นายทอมมองเดียวกันถ้าเวลากุศลกรรมส่งผลเมื่อใดผลแบกทั้งหมดก็จะรวมตัวกันช่วยเสริมกันทีเช่นเดียวกันทาให้ทุกหนักมากยิ่งขึ้นอาตมาจึงบอกให้นายกิมตั้งใจฟังและโมทนาจามว่ากุศลผลบุญดอยที่อาตมาเคยบ่งเส็จมาแล้วตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จะพึงให้ประโยชน์และความสุขแก่อาตมาเพียงใดขอนายกิมจงโมทนารับผลบุญนี้เช่นเดียวกับอาตมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพียงเท่านี้ปรากฏว่าโช่ที่รัดคอล่างหอยสองเส้นหลุดออกไปจากคอทันทีโดยไม่ต้องกลดนายกิมก้มงลงกราบอาตม า, ากราบครงที่หนึ่งและครั้งที่สองก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ แต่พอกราบความที่สามเสร็จลุกขึ้นมาสวยอารามเป็นเทวดามีความสวยผิด ป, ปกติหลังจากนั้นก็ไปจับลูกทับคนโน้นคนนี้จับคอขย่าวก็ไม่มีใครเดี๋ยวดูเพราะเขาไม่รู้เรื่องอาตมาได้ถามคนคุมว่าทำไมนายกิมจึงสวยมากอย่างนี้เพาตอบว่าด้วยอำนาจบุญพระกรรมฐาน ที่ท่านอุทิศให้สา ม, มารถที่จะเคลื่องให้พ้นจากความทุกข์เมื่อบุญส่วนหนึ่งเข้าถึงใจแล้วบุญทั้งหมดที่นายกิมทํามาก่อนก็ดีบุญที่ลูกสาวทำให้ในวันนี้ก็ดีบุญทั้งหมดต้องมารวมตัวกันหมดจึงทําให้เป็นทเทวดาที่มีความสวยงามมากก็เลยบอกท่านว่าขอขอบใจที่ได้แนะนําฉันคนคุม สองคนก็เลยบอกว่าท่านครับผมเองก็ไม่อยากจะทำงานในตำแหน่งนี้เหมือนกันต้องคอยมารับคนแบบเนี้ยมันลำบากไม่มีความสุขผมสองคนก็อยากได้บ้างครับก็เลยถามว่าทำอย่างไรเธอทั้งสองถึงจะได้ละ่ะเขาก็บอกว่าท่านให้กับนายทิมแบบไหนก็ให้ผมแบบนั้นผมก็จะได้รับเหมือนกันก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วไม่หนีงานเขาหรืก เขอตอบว่านายเขาไม่ถือว่าหนีงานหรอกขอรับถ้ามีบุญถึงก็จะได้ไปเปิดเจนทิวดาอาตมาไม่ได้ลงทุนอะไรก็เลยตัง้งจิตอธิษฐานแบบเดียวกันขขอขี้ให้กับนายกิมพอฌานจบสองคนโมทนาแล้วเขาก็กราบสามหนหนที่สามมีสภาพเหมือนกับนายกิมรูปร่างสวยงามเช่นกันเรื่ออันว่าไอนน้สองแห่งการเจริญพระกรรมฐาน ถ้าเราจะทำบุญให้แก่คนตายอันเนี้ยมีประโยชน์มากแต่ประโยชน์นั้นมันจะต้องถึงตัวเราก่อนไม่ใช่คนตายจะมีโอกาสมาโมทนาเฉยๆเราต้องเป็นผู้ให้เขาเขาจึงจะได้รับสรุปแล้วก็คือตัวเราเองต้องมีบุญชะ ก, ก่อนจึงจะไปอุทิศส่วนกุศลให้คนตายได้แดนใดที่ไม่มีบุญ ทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนก่อนหมายถึงพระที่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบทำไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีผลอุทิศส่วนอุศนให้คนตายคนตายก็ไม่ได้รับทำบุญในเขตที่มีบุญน้อยก็มีอานิสงส์น้อยเขามีความสุขน้อยถ้าทำบุญในเขตที่มีบุญมากเขาจะได้รับผลมาก ท่านพระ ย, ยมราชท่านบอกว่าถายสังข้าทานได้บุญดีที่สุดและท่านจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักท่านเท่านั้นอย่างสำพเพเฤาษีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้และคนที่ลงนรกทันทีเวลาตายก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้ผ่านสำนักท่านท่านได้บอกว่าเพื่อความแน่นอนจะปรากฏ ให้ทำดังนี้เวลาทำบุญเสร็จก็อุทิศิครื่องบุให้เกีดคนตายถ้ายังไม่มั่นใจว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าให้บอกขอท่านว่าถ้าบุคคลนี้ให้เอ่ยชื่อนามสกุลจะไม่มีโอกาสโมทนาเชิงใดขอท่านพะยมราชเป็นพยานด้วยถ้าว่าพบท่านคูนี้เมื่อไรท่านก็ไม่ต้องสอบถามท่านจะให้ขาโมทนาทันที เก็จะไปสวรรค์เลยก็ขอคำแนะนำของพระเด็กพระคุณองค์หลวงพ่อไว้แค่นี้ก่อนนะคาแนะนาของพเ ด, ด็พระคุณองค์หลวงพ่อไว้แค่นี้ก่อนนะถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราทั้งหลายจะได้เดินทางให้มันถูกให้มันแจ้งให้มันสว่างให้มันถูกหนทางที่ดีที่ชอบ เ น, นี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันเนะ้อถ้าไมแก้ไขก็อืมทางผู้ทําบุญทางผู้ที่ตายไปแล้วจะได้อะไรหนอไม่แต่ความหมดเปลืองไปเท่านั้นเองเออท้ายที่สุดนี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงทวดคนนี้เนาะอ่าก็จะ ตั้งจิตอธิษฐานนะพระราธนาคุณพระคุณเทพคุณบิดามารดาคุณทานศีลภาวนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทอทางเจตตวาจงดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังที่รับทุกคทนหน้าตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เอื้ออารีให้เสียงธรรมะ ธรรมทานได้ดำรงคงอยู่ให้เป <New Years> ็น ท, ที่ชื่นใจของผู้รับความทั้งหลายทั้งในอดีตและในอนาคตและปัจจุบันทุกทุกพระองค์ทุกทุน้ำตลอดถึงท่านผู้ช่วยสนับสนุนในการให้ธรรมทานของหลวงปู่หลวงทวดคนนี้ให้นาดำเนินได้ ตลอดไปไอ้มีคุณจรุนันตันติโอรวิทย์จังหวัดเชียงใหม่ผู้ถวายเครื่องอัดเสียงพระอาจารย์มณีไม่โตวัชานฟั น, นท้ายนรสิงห์สมุทรสาครคุณสมฤดีสิริพุทธพรคุณโอสมุตติปาการและคณะที่ถวายเครื่องของเพื่อถวายเครื่องของเพื่อ ทำเป็นแผ่นเสียงออกมาได้คุณรัตน์าศีนารางคุณสงศ์เทมิโรดจังหวัดระยองคุณบีบียานสมเกตทิยศคุณยานีรวมยอดคุณพิมพันธ์เลิดวิสุทธิพรกรุงเทพคุณปาณีศีนารางพิกิจและคุณจับกิจคุณปานิดาแพร่ัก์คุณนครปฐม ได้ให้ความอุปการะในงานธรรมทานทุกอย่างทุกครั้งกบหลงพ่อและคุณปาจรีไวปูราแห่งพัทยาขรองด้วยคณะหอพิมพ์หนังสือสัมมามาช่วยสังวัดแจกในงานต่างๆซึ่งงานนี้ต้องลงทุนกันมากๆหลงพ่อก็ขอแสดงความยินดีและนมทนาเป็นอย่างสูงขอให้คุณงามความดีของ ทุกพระองค์ทุกทูนาำที่ได้บอสเพนไว้ดีแล้วทุกตัวหน้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอคุณพระคุณเทพคุณชิ่นศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจงโดนบันดานประทานพรให้ด้านผู้ฟังได้รับทุกตัหน้าและคู่มือพระคุณทั้งหลายสนับสนุนราการธรรมะทุกตัหน้าจงประสบแต่ความสุกสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบุญณบุญผลไปตลอด กรบข้าวขอสุขปฏิภาณสุดทัวนหน้าเทินขอเจริญพร